มีข้ามใบเจ้าอามพิวาพระผู้มีพระภาคเข้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างคาดุห่างขาวตา ทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอามังนามาสามิอาบาเจ้านมาสการพระธรรมสุปฏิปโน พระขาวโดสหวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าบาตรบาตดีแล้วสังฆนามีอาบัเจ้านอบน้อมราสง นามยังบุไดสะภะคะวะโตผู้พัพพากนามาการังการรมัสสีนามวันไะภะคะวะโตอาระโตวมสัมุสะนมัะภะคะวะโต ตัวสมมาสมบูดาสะนามาดาสะพระขาวตัวราหะตัวสมมาสมบูดาสะอนอบน้อมแด่พระ โอมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลาสแต่สรู้ยอบได้โดยพระองค์เองนามยังพุทธาปิตุติงการมะเสิยงเยสาาา่ออันโสตถาคตอ ยะพระองค์ใดอารังผู้ไรยะกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไดสรู้ชอบได้ดูพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขาตัวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทุเป็นผู้รู้โลกอ่างขคมแจ้ ง, งอนุตตรงบุริสั เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธานเดวามโนสนัสานางเป็นครูผู้สอนของเถาวและมนุษย์ทั้งหลายปุโุเป็นผู้รู้ เดินผู้เมืกอบานด้วยธรรมพาเขาว่าเป็นผู้มีความชำเรินชำแนกทำสั่งสอนสัตว์ โยมังโลกังสะเทวาังสะมะระกังสะพระมกังชาสะมานะพระมะนิงปะชังสะเทวมะโนสังสะยังอะพิญญาสะจิกาตวะเปเวเดสีพระภูมิ พระองค์ใด ได้ทรงทาความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทัง <c oughs> ดามารพรม <c oughs> และมูสัพร้อมทังสมณะพรามพร้อมทังเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรม โยธาังเดเศสี พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแลว้วอาทิกันได้ยานังภายรอในเบื้องตนมาเชกันได้ยานังภายในธรรมกลางปาิโอยสานการได้ยานัง ไประในดีสุดสาธังสาพยาญชนะเกวระปริบุญางบริสุทธังปียังบากาเสห์สีทรงประกาศพรหมชนคือแบบแห่งการปฏิบัติอันปริสุทธ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพรอมดังอัฏฐพร้อมดังพยานชนะอาหังพระขวันตังอาภิปูเชยามิ ท่านพรเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระมีพระภาเขียวพระองค์นั้นดั่มหังพระคาวันตังศิรสะนามิ พระเจ้ า, านอบน้อมระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นาั้ด้วยเสียนกล้าอันดำยังธรรมะพิทุติงการมะเสยงเยาวสุวสาวกฮาโด พระวาตาธรโมโพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ได้ตรัสไว้ดีแล้วสาทิตติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควกรกล่าวว่าร้านจองมาดู โอปาณยิโกเป็นสิ่งที่ควรเข้ามาใส่ตัววาจาตังเวทิตาโพวิญญุหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรมมังธรมมังอภิปูชยามี ท่าบัจเจ้ า, าบูชาอย่างยิ่งชาพ่อพระสัมนาน์ทามหันทามงศิรานามามีท่าบัจเจ้ า, านอบน้อมราธำนานด้วยเสียนเกล้า ดมะยังสังขาพิทุติงการมาเสยโยอิสุปาติปันโนภะวันโดสหวกสังโฆ สงสารโวของพระผู้มีพระภาเจ้านั้นหมู่ใดบาฏิบาดีแลว้วอุนชุบบาดีปันโน ว, วะคาวาโต ส, ส, สาวกัสังโคสงสารโวของพระผู้มีพระภาเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติองแลว้วยายาปฏิปันโนะภาควาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบาทเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนะตัวสหวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดบปฏิบั ต, บติสมควรแล้ว ยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คืออาตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุคาราผู้แหงบุรุษสีคูนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เกสาภาขวัติวาสวกัสังโคนะโา พระภูมิพระเกี้าอาหูนยโยเป็นสงควรแกสการะเทอนามบูชาบาหูนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่จัดไว้ดอนรับ ทั้งสีนยโยเป็นผู้ควรระดักีนาธานอันเฉลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันเฉลี่ยอนุตรารังบุญญาเขตโ ร, รกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกมา ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธหัมสังขังอภิปูชยามีอามปเจ้าบูชาอย่างยิ่งชฉพอพระสงฆ์มูนานธ้ามสังขังสิรานามี อาพระเจ้านอบน้อมราสงโม น, นันด้วยเสียนกรารับจบธรรมวัดเช้านั่งสนะงบสักสพักนะึง